ประโยชน์ของฌานแบบพุทธจะทราบได้อย่างไรว่าถึงฌานแล้วฌานคือสมาธิจิตที่ประกอบด้วยองค์ห้าประการได้แก่วิตต ก, กะหรือวิตกนึกถึงสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจวิจาระหรือวิจารเกิดนิมิตลมร้องเครื่องประกอบเช่น กายนั่งคงค้างชัดปีติสำราญเอิบอาบอิ่มเอมชุ่มเย็นชื่นใจสันโดษวิเวกสุขสบายใจเปิดกว้างไม่กระสับกระส่ายเอกคตาจิตใหญ่นิ่งอย่างเป็นไปเองสถียนนาน เมื่อถอดจากองค์ประกอบทั้ง5ประการของฌานเราสามารถอนุมานได้ว่าประสบการณ์ภายในของผู้เข้าฌานเมื่อวิตกและวิจารณ์ตั้งมั่นคือปรากฏนิมิตชัดต่อเนื่องยาวนานซึ่งก่อนเข้าฌานกำหนดสิ่งใดนิมิตสิ่งนั้นก็จะคงค้างอยู่ไม่รู้เลิกเช่นกำหนวดว่าหายใจเข้าสิโครงบานหายใจออกสิโครงหุบเมื่อถึงฌาน ก็เกิดนิมิตลมพร้อมสิโครงสืบเนื่องไปแต่ถ้ากำหนดสิ่งอื่นนิมิตพร้อมเครื่องประกอบนั้นๆก็ปรากฏแทนไม่ใช่ว่ามีนิมิตตายตัวเป็นองค์ประกอบแรกของฌานสำหรับปีติและสุขที่ตั้งมั่นในฌานให้ความรู้สึกอย่างไรต้องดูที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคิกสูตรความว่าเมื่อสังจากฌานบรรลุปฐมฌาน เธอทากายนี้ให้ชุ่มชื้นเอิบอิ่มสาบซา่านด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่มีแม้แต่ส่วนแดในกายทั่วทั้งร่างนี้ที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องและอื่นอื่นสรุปคือเมื่อเกิดฌานขั้นแรกต้องมีปิติสุขอันเกิดจากจิตวิเวกชุ่มเย็นไปทั้งตัวเหมือนลงไปอยู่ในน้ำเย็นสบายที่เกอะกลุ่มไม่กระจาย ประสบการณ์ภายในของผู้ถึงฌานยังมีอีกเช่นในมหาปรินิพานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงฌานว่าการเสียงทั้งมวลพูดง่ายๆว่าหูดับดังความที่ว่าผู้ที่ยังตื่นอยู่ก็มีความรู้เห็นตามปกติเมื่อฝนกำลังตกตกอย่างหนักป้าล่านอยู่ฟ้าผ่าอยู่มิได้เห็นและไม่ได้ยินเสียงทาได้ยาก เกิดขึ้นได้ยากยังมีสูตรอื่นที่พระองค์เดินจงกรมเยี่ยงผู้ทรงฌานแล้วไม่ได้ยินเสียงแม้ฟ้าผ่าสนันตลอดคืนยังมีลักษณะอื่นอันเป็นประสบการณ์ภายในของสมาธิระดับฌานแต่พุทธเราเน้นเอาการใช้งานคือเมื่อได้ฌานแล้วเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงในแต่ละลมหายใจเข้าออกได้ง่าย แม้ยังอยู่ในชานแบบลักขณูปนิชานหรือถอยออกมาจากชานแล้วนอกจากเห็นความม่เที่ยงของลมหายใจยังเห็นความม่เที่ยงของสิ่งอื่นที่เกิดพร้อมลมหายใจเข้าออกเช่นความม่เที่ยงของกายในท่าทางปัจจุบันกายภายในอันแออัดยักทนานด้วยตับไตไส้พุงตลอดจนธรรมชาติของกายที่ต้องเน่าเปื่อยผุพังเป็นธรรมดา เห็นเป็นนิมิตละเอียดชัดนับแต่การปรากฏตามปกติอยู่อย่างนี้ไปจนกระทั่งย่อยสลายเป็นผุยผงเรียกว่าเป็นปฏิภาคนิมิตคืออาศัยกายอันเป็นปัจจุบันรู้ธรรมชาติเน่าเปื่อยผุพังได้โดยไม่ต้องเน่าเปื่อยจริงซะก่อนนอกจากกายอันเป็นฐานที่ตั้งของอุปาทานว่านี่คือเรายังมีความรู้สึกสุขทุกข์ ยังมีสภาพจิตต่างๆยังมีความจำได้และคิดอ่านดีร้ายนานาซึ่งเศษของสมาธิระดับชาญช่วยให้เกิดความรู้เห็นคมชัดว่าเหล่านั้นไม่เที่ยงเหล่านั้นทนสภาพเดิมของตัวเองไม่ได้เกิดตามเหตุปัจจัยแล้วต้องหายไปเมื่อหมดแรงส่งของเหตุเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนจริงเลยแม้นบัดนี้นี่ยล่ะ คือประโยชน์ของฌานแบบพุทธซึ่งผู้เข้าถึงแล้วยอมประจักษ์ใจว่าไม่ขึ้นกับการใครทำเมื่อใดยุคไหนก็มีสิทธิทราบตรงกันในยุคนั้นเสมอ